นี่วันเข้าเทศกาลวันสงกรานแล้วนะนางสงกรานปีนี้ชื่ออะไรฮะมรู้ว่าต้องถามแม่เลยเตรียมมาตอบกแรกกระสกเทวีกินอะไรเป็นอาหารเออหใครตอบเมื่อกี <t <t ้ดูมาเหมือนกันใช่ไหม กินเลือดเป็นอาหารนอนมาบนอะไรฮะวราภาวรพะวรภาหะคืออะไรหมูหมูนอนมาบนหลังหมูจริงๆอะ่ะบบราณท่านสอนเรื่องตำนานรงกลานไว้เพื่อสอนคุณธรรมสามประการคือสัจจะอะไรสัจจะ กตันยูแล้วอะไรอีกสัจจะสัจจะกะตันญูแล้วก็สุติกกรร ม, มะคือการงานอันสะอาดมเมื่อก่อนนี่ถ้าไม่มีตำไม่ได้มีตำนานสอนไม่รู้จะสอนยังไงหนังสือไม่มีใช่ไหมเลยต้องใช้ตํานานตานานสอนแล้วก็ ตำนานของนาังสงครามมันจะผูกดาราศาสตร์ไว้ดาราศาสตร์พุทธศาสตร์ผูกกันไว้อย่างเท่ากระบิลพรมเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายของผู้นำต้องมีสัจจะเสียชีพไปอะ เสียสัตว์อะไรนะในนั้นทางตรงนั้นก็มีอะไรเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียสัตว์ไปสู้ชีพม้วยมระาอะไรเงี้ย<ม>คือว่าสัจจะต้องสำคัญที่สุดเท่ากับบิณลบรมีอานาจล้นฟ้าแต่ได้ให้สัตว์จะาวจาไว้ายกับ ใครนะอ่าใครีทีนี้ให้พูดแล้วให้พูดแล้วพูดหน่อยกบิลพรมพทําสัจวาจากับใครอะ อ, อะไรกุมานเกมาออ อ, อ, อะไรกูมานไม่ใช่เทวากุมารอะไรกุมารเอาก็ เอากับอกุมาลแล้วกันทำสัจจะวาจากันไว้ว่าว่าไงว่าไอ้กุมาลที่ว่าเนี่ยมันเก่งมีชื่อเสียงมากมันมีชื่อเสียงมากเมื่อก่อนนี่เท้ากับบิลพรมเนี่ย ใครจะขึ้นบ้านใหม่ใครจะทํากิจการบงคนใคระก็จะต้องอ้างอิงถึงกับบินลพรมใช่ไหมแต่พอบัณฑิตกุมารนี่เกิดขึ้นมาปับ๊บใครเขาจะไปหาแต่ไอ้บัณฑิตกุมารนี่แล้มันเก่งไะแกเก่งไงแกรู้เสียงนกด้วยเสียงสัตว์ด้วยแกเก่งแก้ปัญหาได้หมดใครถามปัญหาตอบได้หมดกับบินลพรมก็เห็นว่าบัณชื่อเสียงของบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตกุมารบัณฑิตเนี่ยมันดังเกินไปแล้ว ก็เลยลงมาท้าทายปัญหาโดยมีศีรษะเป็นเดิมพันมีชีวิตเป็นเดิมพันธอกุมารก็รับคำท้าว่าถ้าแก้ได้กบิลพรมก็จะตัดศีรษะให้ถ้าแก้ไม่ได้ไอบัณฑิตนี่ก็จะตายเนี่ย แมันผ่านไปแล้วมันจะครบกําหนดมันจะครบกําหนดแล้วมันยังคิดไม่ออกยังแก้ไม่ได้ปัญหาเนี้ยก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นตาล น, นกอินทรีผัวเมียคู่หนึ่งเกาะอยู่ข้างบนมาหากินตัวตัวเมียก็ถามว่าเอ๋อพี่วันนี้ไม่ไปหากินนะเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกรออีกอึดใจนึงทำไม่ะเดี๋ยวเราก็ได้กิ น, นบัณฑิตกูหมดแล้ว เอาทําไมอ่ะก็มันมันถ้าถ้ากบินละพรมกันไว้ตำ ม, มาบานนะถ้ากบินละพรมกันไว้ว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้มันก็จะต้องตายพอตายเสร็จแล้วเราค่อยกินไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้ววันเนี้ยไอ้ทีนี้ไอ้ผู้หญิงมันก็จู้จี้จุกจิก <laughs> นี่ข้อดีของผู้หญิงนะ <laughs> ข้อดีของความเป็นคนจู้จี้จุกจิกของผู้หญิงก็ถามต่ออ้าวมันทาา้าพัญหเรื่องอะไรอย่างไี้นกอินทรีตัวผู้ก็บอแม่แม่กระรมขานรู้ว่านิสัยภรรยาในจู้จี้จุกจิกถ้าไม่รีบต่อแก้ไขสะสางมันก็ถามอยู่นั่นแหะก็เลยเออก็ท้ากันไงโต้ตอบปัญหากันปัญหาของกบิลพรมถามว่าชาวราศีอยู่ที่ไหน เที่ยงราศีอยู่ที่ไหนเย็นราศีอยู่ที่ใดอ้าวแล้วบัณฑิตกุมารตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วคำตอบว่าไงอ่ะพีะ่ซึ่งขณะนั้นธรรมบามนบรรฑิาลนั่งอยู่ที่ไหนใต้ต้นตาล น, นั่นแหละมันได้ยินมันเรียนรู้ภาษานกเก่งพอนกิมึมสีบอกโอ้จะยากอะไรเช้าขึ้นมาคนเขาล้างหน้า ราศีก็อยู่ที่หน้าตกเย็นขึ้นมาเขาเอานะ้ำมาตบที่อกราศีก็อยู่ที่อกไอ้ตกเที่ยงพอตกเย็นขึ้นมาก่อนข้าวนอนเขาล้างเท้าราศีก็อยู่ที่เท้าโอโ้โหเป็นไงกับบิลลพร้มจัตอาขาดพลิกกลับเลยเออนั่นนะั่นันนี้พอ ธรมมบานเข้าไปแก้ปัญหาได้ถึงเวลาที่กรั บ, บินละพรมจะต้องตัดศีรษะตัวเองศีรษะของกระ บ, บินละพรมนี่มันมันตัดสีซัวไม่ได้ตัดโยนขึ้นไปในอากาศนี่เบกเบิกแห้งหมดขนจะไม่ตกโยนลงมาบึนที่นิไฟจะไหม้โลกลงไปในมหาสมุทรน้าแต่มหาสมุทรจะเหือดแห้งหมดซึ่งส่งผลร้ายมหาศาลต่อต่อสัมพสัต เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ก็จะต้องหาวิธีทีนี้ไอท้ทิดาทั้งเจ็ดนี่อยู่อยู่กับพระอินเป็นภรรยาน้อยอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> ก็เรียกมาหมดเลยทิดาทั้งเจนะ็ดตั้งแต่นางทุงสะมามทีนี้ให้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันว่ากบิลลพรมจะตัดศีรษะตนเองแล้วให้เอาผานมารองรับแล้วให้ทิดาทั้งเจ็ดแห่รอบของพระสุเบนหนึ่งรอบ หลังจากนั้นก็นําเข้าไปไว้อยู่ในถ้พาพอครบปีวันเลยฮะวันมหาสงกรารก็อัญเชิญออกมาเดิน ร, บรอบก็ใช้เป็นการวันขึ้นปีใหม่ไทยมันนานมากเหมือนกันนะวันขึ้นปีใหม่ไทยก็ถือเอาตอนไหนฮึ เขาจะปรับไห้เป็นวันที่1ิบสาแต่จริงๆบางันไม่สิบสามเสมอไปเขาจะถือตรงไหนไม่ค่อยศึกษาเนี่ยเขาจะถือเอาตอนพระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเบส ร, ราศีมีกี่ราศีหนึ่งเมื่อก่อนนะเขานับราศีเบสเป็นราศีที่หนึ่งนะราศีเบสและอะไรอีกฮะ เบ็พึ่ศพเบทุนกรกฎสิงการตุลพิจิตธนูมังกรกุมมีนเออบพึ่งศพเบตุนกรกฎสิงกานตุลพิจิตรธนูมังกรกุมมีนเห็นไมเนี่ยสองราศีพระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษย้า้มาจากราศีอะไร อนะมีราเก้าสูราศีเมษตรงนั้นอ่ะวันเดือนปีเวลานาทีรวมทั้งอันโตนาทีด้วยตรงนั้นอ่ะเรียกว่าตำแหน่งนั้นเรียกว่าตำแหน่งของมหาสงกรามทีนี้ก็เกิดเป็นวันสงครานมของเราขึ้นมากบิลพรมในตำนานก็จะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใหญ่ ปกครองบ้านเมืองผู้ใหญ่ในครอบครัวผู้หลับผู้ใหญ่ประธานพวกบอดทั้งหลายแหลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือสัจจะถ้าไม่มีสัจจะไม่ได้ใช่ไม่ได้เสียสัจจะเรียกว่าจะบัดสัจจะเสียอะไรนะวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำทันทีแต่ผู้ใหญ่สัมภาษณ์ทางทีวีอะ ตอนเช้าสัมภาษณ์อย่างหนึ่งแล้วตอนกลางวันทาอย่างหนึ่งพอตกเย็นออกมาพูดอีกอย่างหนึ่งอย่งนี้เสียวุติภาวะการเป็นผู้นำเสร็จเสร็จแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องสัจจะนี่ไม่ได้แล้วก็ในประเทศไทยผู้นำทุกยุคทุกสมัยจะโดดเด่นในเรื่องของสัจจะนะตั้งแต่ สมัยพ่อขุนศรีอินตราติต์พ่อขุนรามคำแหงตามประวัติศาสตร์ด้วนแต่มีความโดดเด่นเรื่องสัจจะส่วนผู้นำที่มีความเสียหายผู้นำที่มีความเสียหายสิ่งแรกที่จะเสียหายคือเรื่องของอะไรฮะสัจจะสัจจะเพราะคนที่จะมาเป็นผู้นำสิ่งที่จะต้องประกาศคือประกาศ สัจจะก็เรียกว่าถ้าเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าพระบรมราชโอการถ้าเป็นขราวาัตเป็นบอดเป็นประธานอะไรต่างๆมากล่าวสุนทรพจน์ใช่ไหมก็ต้องประกาศนโยบายนรอยู่มาประกาศนโยบายถ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบายก็จะถูกฟ้องร้องสอบสวนผิดกฎหมาย ประกาศนโยบายแล้วไม่ทำตามนะนโยบายเสียหายมากเอออันนี้มันเป็นเรื่องราวของสัจจะทั้งหมดเลยเรื่องราวของสัจจะทั้งหมดเลยแตว่าสัจจะเนี่ยมันเป็นธรรมปฏิบัติคนที่จะปฏิบัติสัจจะได้จะต้องมีสติสมาธิและปัญญาพอประมาณสัจจะไม่สามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างไ ร, ร้สติสัมปชัญญะ พอมีสัจจะไม่มีสติสัมปชัญญะสัจจะก็จะฟันฟ่นเฟือนอะไรนะเฟออะไรนะเฟออะไรนะฟุ้งเฟอเหลือเฟือ <c oughs> เกินเกินจากประโยชน์ของสัจจะไปสัจจะนี่แปลว่าจริงในทางปฏิบัตินะแปลว่าจริงแปลว่าตรงแปลว่าแท้ นี่คือสัจจะจริงคือจริงจริงไม่ใช่เล่นเล่นะตะบาริเกหนังตะลงุงละครที่มาเล่นกันอยู่มันจริงเล่นเล่นแสดงว่ามันไม่เป็นสัจจะใช่ไหมไอ้จริงนี่คือว่าจริงๆรเป็นจริงตรงตรงคืออะไรฮะ ตรงมีอยู่สามแบบตรงต่อคนด้วยกันเขาเรียกว่าซื่อตรงตรงต่อกฎหมายเหตุผลประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเขาเรียกว่าเที่ยงตรงซื่อตรงหรือเที่ยงตรงเนี่ยตรงต่อคนด้วยกันเนี่ยเรียกว่าซื่อตรง ชือตรงต่อกฎหมายต่อกฎ ร, บบระเบียบประเพณีนี่เรียกว่าเที่ยงตรงอันนี้เป็นเรื่องเราวของสัจจะนะแทะฮะแท้คือไม่เก้ไม่ปลอมใช่ไหมเออเป็นอะไรก็เป็นให้แท้อย่าเก๋เออเป็นนักปฏิบัติเ <c oughs> ก๋หรือปลอมเ <c oughs> ก๋หรือปลอมเหมือนกันเลยแท้เป็นได้แท้เออ แทบเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องราวของสัจจะมันจึงเป็นข้อธรรมที่อืมเป็นแก่นถ้าเปรียบความสําคัญของสัจจะทาร่างกายของเราเนี่ยอวัยวะทั้งขาทร่างกายเราเนี่ยดูสิร่างกายเรามีกระดูกใช่ไหมที่เรารู้จักกันเป็นหญิงเป็นอรุณรัตน์เป็นเปิ้ลเป็นรุวันเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยรู้จักกันเพราะอะไรรู้ปะ เรามันมีกระดูกคอยกางคอยยึดคอยขึงร่างนี้ไว้ลองถอดออกดิถอดกระดูกออกมาให้หมดทุกชิ้นเป็นไงร่างทั้งร่างม้วนพับลงไม่เป็นท่าหน้าใครเป็นหน้าใครจะดูออกไหมไม่ออกนั้นกระดูกมีความสำคัญต่อร่างกายนี้ฉันใดสัจจะก็มีความสำคัญในการจะดำดินชีวิตฉันนั้น หรืออาคารบ้านเรือนที่เรานั่งอยู่นี่ตึกนี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีส่วนประกอบเยอะใช่ไหมมีหลังคาฝ้าคานฝาผนังพื้นเสาอะไรสำคัญที่สุดฮะเสามีความสำคัญต่อบ้านบ้านทั้งหลังเนี่ยถ้าหลังคามันผุไปตักแผ่นสองแผ่นมันยังเป็นบ้านไหมเป็นไอ้เพดานมันรั่วหน่อยเป็นบ้านไหม ฟ้าทะลุหน่อยเป็นบ้านไหมเออแต่ถ้าถอดเสาวบวชออกให้หมดทุกต้นเป็นไงนบ้านทั้งหลังพังลงไม่เป็นท่าเสามีความสำคัญต่อบ้านฉันใดสัจจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเราฉันนั้นดูสาคัญไหมสำคัญเรียว่าเราจะเอาสัจจะมาตั้งตรงไหนในชีวิตเออ เพาว่ามันสำคัญสาคัญสาคัญนะเเราจะใช้ชีวิตอย่างมีสัจจะเราจะเป็นคนที่มีสัจจะแล้วเพราะว่าสัจจะเนี่ยใช้ไม่เป็นน่ะเป็นโทษใช้ไม่เป็นนี่เป็นโทษคนโง่ใช้สัจจะไม่ได้สัจจะจะต้องใช้กับสติปัญญาเป็นธรรมะสาคัญและต้องมีแต่จะต้องมีสติและปัญญาในการใช้สังเกตไหมเคยได้ยินคนบอกไม่ได้อะ ผมมันคนจริงถูกไหมมุทะลุใช่ไหมหมุทะลุนี่มาด้วยอะไรรายสติรายปัญญามุทะลุแล้วเฮ้ยไม่ได้เราพูดแต่ต้องทำต้องทจริงพูดแต่ต้องทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไมได้มันจะต้องสูญเสียสักเท่าไหร่เพื่อให้ตนเองไม่ต้องเสียหน้า ใช่ั้ยล่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสติปัญญาในการใช้สัจจะเอาแต่ใจตนเองไม่ได้ใช่เพมาะวการใช้สัจจะสำคัญแต่การใช้สัจจะให้ถูกต้องสำคัญกว่าดีทุกดีของชีวิตนี้ต้องตั้งต้นด้วยสัจจ ะ, สะเสมอจำไว้เราจะเอาดีด้านไหนก็ตามในชีวิตนี้ จะเอาดีด้านเรียนดังถือราชาการประกอบการค้าหรือจะเอาดีทางด้านนักการบัญชีจะเอาดีทางด้านจิวเวรี <c> ่ <oughs> จะเอาดีทางด้านทำสวนทำนาหรือจะเอาดีทางด้านไหนก็ตามไม่เว้นแม้แต่ว่าจะเอาให้ดีทางด้านการปฏิบัติธรรมหรือด้านการบวชเป็นพระเป็นเนนทุกทุกดีต้องตั้งต้นด้วยสัจจะเสมอถ้ามีสัจจะมากก็จะดีมาก มีสัจจะน้อยก็จะดีน้อยแต่ถ้าไม่มีสัจจะหมดดีหมดดีเลยเป็นพระก็ไม่ดีเป็นอะไรเป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ดีเป็นครูก็ไม่ดีเป็นอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีสัจจะมาเลยหมดดีทุกๆอย่างอืมเนี่ยสําคัญถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราจะใช้อย่างไรในชีวิตในชีวิตเราที่เคลื่อนไหวที่เราล้มเหลวต้องดูว่าเราล้มเหลวเราล้มเหลวตรงจุดไหน เราก็จะต้องเอาสัจจะไปตั้งตรงจุดนั้นแหละในชีวิตราตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในเรามีจุดที่เราเคลื่อนไหวในชีวิตนี้ที่เราล้มเหลวล้มเหลวตรงไหนบ้างคนที่ล้มเหลวกันโดยมากก็มีอะไรบ้างหน้าที่การงานการพูดสื่อสาระอะไ ร, รอะ่างบุคคลปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลและอะไ ร, รอีกพฤติกรรม เรียกว่าการทําความดีนั่นแหละอืมมีอยู่ห้าส่วนเวลาเราล้มเหลวหน้าที่ล้มเหลวคนที่หน้าที่ล้มเหลวจะมีอยู่สองประเภทหนึ่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับทุจริตในหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่พวกนี้พวกไม่มีสัจจะเอาออพวกงานทุจริตในงานใช่ไหมเออทุจริตในงานทํางาน พวกงานเนี่ยจะมีอยู่สามพวกที่ไม่มีสัจจะหนึ่งย่อหย่อนเหยาะแย่สองทำเสียหายสามทำ้างค้างคาคาไม่เสร็จบาลีเขาเรียกทุจริตังคือทําไม่ดีทําเสียสิทิรังทําย่อหย่อนอากุรังทำค้างค้างคาคาเออทำอะไรก็ไม่เสร็จ ขายอยู่นะไอพวกนี้พวกไม่มีสัจจะพอมีสัจจะปั๊บหนึ่งสุจริตตังสองอนาคูลังสาอาสิทิลังและสามอนาคุลังคือทำดีทำทาดีทาเรียและทำเสร็จ mm hmm. นี่พวกมีสัจจะลองคิดดูสิคิดดูเี้ว่าทำดีนะของของเรื่องพวกนี้อ่ะ ที่ว่าเราคนที่ทำไม่ดีเพราะไม่มีสัจจะแล้วมันจะต้องไปหาอะไรเพื่อให้ได้ดีเราต้องไปหาคนที่วิ่งไปหาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ดีในชีวิตนี้โดยไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีสัจจะ <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีสัจจะแต่พราย า, าอยากได้ดีทางานแล้วอยากได้ดีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีสัจจะก็จะวิ่งหาแล้วหา ก, กังกกเอา <c ười> กบตหัวจริงจกตรวงงานสาริกาลินทองหากขาไปเด้อยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองได้ดีอืแต่ไม่รู้เหตุแท้จริงก็ตัวเองไม่มีสัจจะดูตรงไหนก็ดูในหน้าตรงตัวเองเนี่ยแหละดูในหน้าที่และ ง, งานของตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรบางคนก็ อนกเพราะฉะนั้นเวลาเราทำประพฤติสัจเราต้องเอาสัจไปใส่ไว้ในไหนในหน้าที่พอใส่ในหน้าที่เสร็จมันก็จะได้ความว่าจริงต่อหน้าที่พอใส่ในการงานมันก็จริงต่อการงานใช่จริงต่อการงานต่อไปในเรื่องของการสื่อสารการพูดวาจาเนี่ยอ่ะวาจาเป็นไง เดี๋ยนี้รวมหมดนะไม่ใช่เฉพาะเสียงแค่นะแชททุกหมดทั้งหมดเลยโปรแกรมที่เชดกันได้ที่สื่อสารทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจรับรู้รู้สึกได้เนี่ยรวมเป็นวาจาหมดเลยรวมหมดเลยจริงต่อวาจาคือจริงยังไงฮะสัจวาจาก็คือ มันมีมันมีวาจาจริงกับจริงต่อวาจาวาจาจริงคือศีลข้อที่สีวาจาจริงหมายความว่าไม่โกหกพูดความจริงจริงต่อวาจาคือพูดแล้วทำให้ได้สิ่งที่ตนเองทำไม่ได้ไม่พูดคนที่วาจาจริงมีสัจนะนั้นจะคิดพิจารณาพูด เฉพาะในสิ่งที่ตนเองทําได้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้ที่ฟังสิ่งใดแม้เป็นความจริงพูดไปแล้วเป็นโทษต่อตนเองเป็นโทษต่อคนที่ฟังสร้างความเสียหายคนมีสัจจะจะไม่พูดพอไปพูดอย่างนี้เราบอกโอ้โกหกว่าโกหกไหมไม่โกหกแต่เป็นความจริงเพราะว่าความจริงบางอย่างพูดได้ไหมสมมติเราไปเจอคนขี้เหร่ขี้เหร่มากๆเราเห็นปะ เราเห็นปั๊บเรารู้สึกได้เลยว่าเขาขี้เร่อ่ะอ่ะอ่ะแล้วเราไปถึงเจอหน้าเพาเราพูดได้ไหมเพราะพูดแล้วฮะเขาเสียใจเราเสียเลือดคือมีแต่เสียกับเสียใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นความจริงบางอย่างมันพูดไม่ได้ดังนั้นคนปฏิบัติสัจธรรมจึงต้องมีอะไรสติกับสมาธิและปัญญา ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิและปัญญาสัจจะที่มีอยู่ไปไงเป็นโทษเป็นโทษบางอย่างพูดไปปั๊บเสียชื่อเสียงบางอย่างพูดไปปั๊บเสียบริวารบางอย่างพูดไปปั๊บเสียทรัพย์บางอย่างพูดไปปั๊บเสียวิญญาบางอย่างพูดไปปั๊บเสียความสามัคคีบางอย่างพูดไปปั๊บเสียชีวิตไอเสียชีวิตนี่มีไหมพูดไปแล้วสชีวิตมีไหม มีเออเ อ, เ อ, เ อ, เอในเรื่องรามเกียรน่ะคือเล่าให้ฟังแล้วนกสดายุกับทศกัณฐ์ขึ้นไปรบกันนกสดายุนี่รักเพื่อนมากเป็นเพื่อนกับพระรามแต่นี่แฟนเพื่อนโดนชิงนางสีดาโดนโด น, โดนทศกัณฐ์กำลังอุ้มขึ้นมาหอบไยกลางอากาศแล้วทศกัณฐ์ก็มาด้วยขบวนทัพยักษ์สมัยนั้นนะ ทศกัณนี่มีกี่ชีสมีกี่วัวฮะทศกัณมีสิบหน้ากี่มือยี่สิบมือและสามารถใช้ได้คล่องแคล่วเหมือนกันทุกมือด้วยนะมันไม่ใช่มามีมือหลักมือประธานไม่ใช่นะทุกมือนี่หมายความว่าสามารถที่จะยิงธนูได้สามารถที่จะใช้หอกใช้อาวุธได้ถนัดถน่ถนวงสิเดียวเนี่ย แ, และแถมมีฤทธิ์ด้วยฉลาดด้วยทศกัณเนี่ย มือหนึ่งก็อุ้มนางศรีดานางขับรถไปนกสดายุก็บินมาแต่นกสดายุมีฤทธิ์มากว่ากันว่าถ้าเขาสามารถนกสดายุนี่สามารถกางปีกบังแสงอาทิตย์ให้กับโลกนี้มืดมิดได้เลยเออโยมก็อย่าไปสงสัยว่ามันกางได้ยังไงถนะ้าโยมสงสัยเรื่องมันก็ไปต่อไม่ได้คือกําลังสงสัยอะดิเออราสงสัยเรื่องว่าเดินไม่ได้นะ กลางปีกรีงบางโ่กอาทิตย์มืดมิดทั้งโลกกระทาดเลยนะนกสดายุใหญ่มากมีฤทธิ์มากก็เริ่มทศกัณฐ์มาถึงไปเจอปั๊บนกสดายุเห็นปั๊บก็โต้กันเริ่มสู้กันพอสู้กันเสร็จแล้วนกสดายุเนี่ยเก่งกว่าใช้ปากจิกปีกตีรถทศ ก, กัณฐ์นี่พังยับเยิน าหารทศ ก, ก, กันห้าสิบพันตายเกลี้ยงทศกันตอนนี้ลอยอยู่กลางอากาศมือหนึ่งก็อุ้มนางสีดามือที่เหลือนั้นน่ะเอาวงอาวุธหลุดออกจากมือหมดแล้วมือที่เหลืออีกสิบเก้ามือคอยปัดการโจมตีของนกสดายุส่วนนกสดายุนี่หมายความว่าถ้าเป็นมวยวยกที่ห้าถ้าเราดูมวยยุที่ห้าไอ้ตัวที่แพ้มันรู้แล้วว่าแพ้ไอ้ตัวที่ชนะมันก็รู้แล้วว่าชนะ เพราะว่าอาวุธของคนแพ้หมัดก็ต่อยมาโดนไม่มีแรงแล้วไม่มีน้ำหนักแล้วจะเตะไอ้คนคนคนที่ชนะมันก็ไม่ค่อยอยากจะทําแล้วรอรักทางดังใช่ไหมเพื่อเพื่อที่จะรับเป็นผู้ชนะไม่อยากทํำแล้วมะเวลานั้นทศกาณกับทศรายุเป็นแบบนั้นทศรายุก็รู้สึกว่าทศกัณฐ์สู้ไม่ได้ทศกาณก็รู้แล้วว่าสู้ไม่ได้แต่ทศกาณมันยังมีทางความหวังเพราะว่ามันเสียนางศรีดาไว้ไม่ได้ ก็เห็นข้อยุติได้ด้วยการเจรจาก็กาจะชวนสนทนาหาทางที่จะยุติสิทนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยพานางสีดาไปได้ไม่หวังถึงเรื่องของความชนะแล้วนะแต่ว่าใช้อะไรใช้สติ <c oughs> ที่มีอยู่ในขณะนั้นใช่ไหมเพื่อที่จะทําปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดให้ได้นานที่สุดให้ได้มากที่สุดทุสกสักกาเนี่ยข้างควายนกศรัทธุชนะขาด คือปิดประตูแพ้ปิดประตูแพ้เลยไม่มีราคาต่อรองก็เ <g> ก <ül> <g ül> ิด อ, อะไรเห่อเหิมลำพองใจความประมาทมาแล้วความประมาทมานี่หมายความว่าขาดอะไรขาดสติความประมาทมาแล้ ว, ว, ว, ว, ว, ลวทุศกันก็เลื่อมเลยว่าเอ้ยท่านเป็นใครเนี่ยมีฤทธิ์มากเหลือเกินเราทั้งสองคนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางจะไหนท่านถึงทำกับเราได้ถึงขนาดนี้ ท่านมีฤทธิ์มากเหลือเกินยกก่อนใช่ไหมเ<ม>พอยกนกศ ร, รา ย, ยุก็ยิ่งยิ่งผอ <laughs> ยิ่งฟองความร้ายสติก็ยิ่ง<ม>เพิ่มขึ้น ม, มากขึ้น<ม>ก็ยิ่งเห็นทศกัณฐ์ร้ายค่าไม่มีความหมายอะไรเงี้ยพระบอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมีฤทธิ์เยอะเหลือเกินเราทั้งสองไม่เคยมีเรื่องบาดหมาง ก, กันทำไมท่านถึงทกับเราได้ถึงขนาดนี้นกศร ย, ยุก็ จากความหอมกลางปีกกางปีกแผ่หางพลางเยอยว่าไว้อธุรีโบหันสิบเสียนเอ่อสิบเสียนสิบพักกุมพันยี่สิบหัดอันจริงใจพุ่งชัดอาวุธเป็นหาค้นจะแตกต้องปลายขนกูก็หาไม่ทั่วทั้งสามพบจบแดนไตรกูจะเกรงผู้ใดอย่าพึงคิดน่าใหญ่ไหม แต่ว่าหารู้ไม่ว่ากำลังจะตายแล้วมีแต่พระสยมภูวนาฏพระนารายที่ราชจั ก, กริตกับธรรมรงพระอิศวนอันทรงฤทธิ์ที่ติดนิ้วน้อยนางมาแค่เนี้ยตายเลยพึ่งแคเนี้ตายทำไมตายอ่ะรู้ไหมฮะรู้ไหมรู้ไมยมฮะ ที่จริงเพราะมันพูดที่ตายเพราะมันพูดความจริงไงทั่วทั้งสามพบจบแดนไตรกูจะเกรงผูดด้ใดอย่าพึงคิดนี่สดายุพูดกับทุศกันมีแต่พระสยมภูวนาถพระนารายทิราช จ, จั ก, กริดกับธรรมรงพระอิทสวนอัญชงริที่ติดนิ้วน้อยนางมาได้ไอ้ทศกัณมันอุ้มนางศรีดาอยู่ทศกัณมันอุ้มนางศรีดาอยู่ แล้วนี่มันเหอะเหมพูดความจริงกับทำมาโรงพระอิสวรนันทสุริศที่ติดนิ้วน้อยนางมาชี้ไปด้วยนะชี้ไปด้วยนะว่าแหวนพระอิสวรมันอยู่ในนิ้วนางสีดาไอ้นั่นนะคือฆ่าแพ้นอกนั้นฆ่าไม่แพ้ใครไอ้ทศกันยิ่งกว่าได้อะไรอะยิ่งกว่าได้จะรว่ก็ถอดแหวนจากนิ้วนางสีดาแล้วก็เคพี้ยงใส่เบาๆไอ้ลูกสดา ย, ยกุก็ปีกหักตกลงไปตาย กนตายก็อบจะงอยปากคาบเหวนไว้เพราะว่าคารพมากเหวินไปสวนอันนี้ตายเพราะอะไรพูดความจริงพูดความจริงนี่มันเป็นเรื่องเรื่องของวันสงกรานนะเราเป็นสัจจะเรื่องสัจจะก็เรียกว่าสัจจะวาจาเพราะนั้นวาจาที่เราจะต้องพูดนั้นหนึ่งต้องจริงถ้าไม่จริงอย่าพูดสองพูดแล้วต้องทําให้ได้ สามเป็นวาจาที่จะต้องดีมีประโยชน์สมัครสมานสามคัคคีเป็นที่รักชวนฝังซึ่งการพูดแบบนี้มันจะต้องมาจากอะไรามาจากสติปัญญาทั้งนั้น่ะขาดสาติปัญญาแล้วจะได้ไหมไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้เลยเรื่องของกวาจานี่ใช้อารมณ์ไม่ได้เลยเ อ, อืาาอม ผู้เจ้าตรัสย้ําว่านิสมะการนังเสยอยู่นะให้ใคร่ครวนเสก่อนอจึงปล่อยออกไปทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้เรียกว่าเรื่องวาจานะถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีสัจจะทีนี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องของบุคคลในชีวิตเราเราอยู่คนเดียวไม่ได้นี่มนุษย์ก็เรียกว่าเป็นอะไรสัตว์สังคมสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้ต้อง ต้องโยงไปสู่บุคคลอื่นเสบอเพราะนั้นเราจะต้องทำยังไงต้องจริงต่อคนด้วยกันเป็นลูกต้องจริงต่อใครจริงต่อใครแม่จริงต่อพ่อแม่เป็นพ่อแม่ต้องจริงต่อใครจริงต่อลูกเป็นพี่ต้องจริงต่อน้องเป็นน้องต้องจริงต่อสามีต้องจริงต่อภรรยาต้องจริงต่อเน่า เห็นไหมมันเป็นคู่ที่คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันเราจะต้องจริงต่อคนด้วยกันเพื่อนต้องจริงต่อเพื่อนคำว่าจริงต่อจริงต่อจริงต่อคือมีความจริงใจตามฐานะที่ตนเกี่ยวพันการมีความจริงใจนั่นแหละเรียกว่ามีสัจจะแล้วแล้วเราก็ปรารถนาใช่ไหมเราเราเป็นภรรยาอยากให้สามีไม่จริงใจต่อเราไหม ไม่ใช่ไม่เอาแล้วเราเป็นสามีอยากให้ภรรยาจริงใจต่อเราไหมจริงเราเป็นลูกอยากให้พ่อแม่จริงใจต่อเราไหมเราเป็นพ่อแม่อยากให้ลูกจริงใจต่อเราไหมความจริงใจมันจึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องอยู่รวมกันนี่แหละเราจึงต้องเรียกว่าสัจจะในบุคคลจะต้องมีถ้าไม่มีเมื่อใดเจงไม่มีเมื่อใดเจ๊งถอดความจริงใจออกจากกัน สามีภรรยาก็เป็นอื่นแล้วถอดจากถอดความจริงใจออกจากกันพ่อแม่กับลูกก็เป็นอื่นแล้วถอดความจริงใจออกจากกันพี่กับน้องมันก็เป็นอื่นแล้วถอดความจริงใจออกจากกันเพื่อนกับเพื่อนมันก็เป็นอื่นแล้วตราบใดที่สัจจะยังเป็นอยู่ตามฐานะที่เชื่อมโยงก็สถานะนั้นก็ยังคงอยู่ตามนั้นๆอืม น, นี่เรียกว่าจริงต่อคนด้วยกันจริงในบุคคล ต่อไปจริงต่ออะไรอีกในชีวิตเราที่จะล้มเหลวจริงต่อพฤติกรรมพฤติกรรมคือนะความดีนะความดีนะเรารู้กันอยู่โลกใบนี้ดีเท่านั้นที่จะสมานโลกนี้ให้สงบและสันติและชั่วเท่านั้นที่จะทําลายโลกนี้ให้วุ่นวายสับสนเดือดร้อนหายยนะดีเท่านั้นที่จะทําให้โลกสงบและสันติใช่ไหมเราไม่ต้องพูดกันแล้วว่าเราต้องทําดี แต่สิ่งที่จะต้องใช้สัจจะต้องมาใช้สัจจะบำเพ็ญลงไปก็คือว่าจริงต่อความดีจริงต่อความดีที่ตนทำอัต่มากำลังเทศอยู่นี่ต้องอะไรต้องจริงต่อการเทศนะถูกไหมเรารักษาศีลเราต้องจริงต่ออะไรต่อศีลเจริญสติต้องจริงต่อกันเจริญสติ ทำทานต้องจริงต่อทานรักษาศีนต้องจริงต่อศีนใช้ขันติต้องจริงต่อขันติคือทำความดีทั้งหมดจะต้องใช้สัจจะลงไปให้มันจริงต่อความดีทุกๆความดีที่ตนกระทำถ้าถอดสัจจะออกมาอะไรมาแล้วทีนี้หน้าอย่างหลังอย่างพูดอย่างทำอย่างอะไรอะก็พอ พรุ่งนี้จะเลือกตั้งคืนนี้มันก็ไหวไม่แต่หมากู <c oughs> คือมันมีเยอะแยะไปหมดตัวอย่างให้เห็นว่าไม่มีสัจจะในความดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในอดีตมีพระรูปหนึ่งไอ้นี่เล่าแก้ง่วงหลังจากทานอาหารนะมีอดีตมีพระรูปชื่อหลวงตา หลวงตาขาวถ้าภาาไทยภาษาบาลีเรียกว่าหลวงตาดิศหลวงตารูปนี้มีความสนิทกับโยมที่เป็นอุปถากใสบาดใสบาดเช้าขึ้นมาหลวงตาก็บินไปบาดไปบา้านนี้ไปถึงก็ถวายอาหารให้ฉันแล้วตั้งบาดไว้เพราะฉันจิตแล้วคตรเข้าวใส่บาดอีกก็เพื่อกลับไปทานอีกหลายเยอใหญ่ตัวแล้วคบติดต่อกันมาอย่างนี้ สิบสองปีนานไหมนี่เรารู้จักกันนานยังเรารู้จักกันนานยังอ่าวพี่วันฮะเออยังไม่ถึง1ิบสองปีเออยังอั น, นีก็เป็นอย่างเงี้ยสิบสองปีแต่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นช่างเจรไนแก้วมั น, นีคือใครได้แก้วมั น, นีใครได้เพชรอะไรดีๆมาเนี่ยต้องเอามาให้เขานะเขาเป็นช่างระดับแนวหน้าเกรด มือคิดว่าเกรดนิ่ยิ่งยิ่งกว่าคุณพวกนี้อีกนะและไม่แค่นั้นเศรษฐีพรหมมหาศาลข้าราชบริพาลหรือมหาอุปราชหรือแม้นแต่พระราชาถ้าได้แก้วมณีดีๆมาแล้วต้องส่งตรงมาให้กับนายช่างคนนี้ทำ นายช่างคนนี้จะเป็นผู้ที่เจรในถ้าผ่านคนนี้เจรในขึ้นมาเมื่อใดแล้วโอ้โหจากมูลค่าเล็กๆ เ, เนี่ยขึ้นมามหาศาลเลยแล้วเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมกันอยู่ในสมัยนั้นทีนี้วันเชา้าวันหนึ่งหลวงตาแกก็ไปรับบาตรตามปกติเข้าไปถึงนายช่างแกก็นี้โมนให้หลวงตานั่งนั่งเนี่ยแบบมาต า, มานั่ ง, น, งนี่ก็มีแค่กันหน้าบาตก็ตั้งแต่ต้องรอเพราะคนกําลังปรุงอาหารอยู่แม่ครัวกําลังทําอาหารอยู่และแกเกองก็ นายช่างแก้วเจก็กําลังหั่นเนื้ออยู่หั่นเนื้อเพื่อที่จะปรุงอาหารอยู่ห่างจากลูตาไปหน่อยแต่มองเห็นเนี่ยจากนี่ไปหมอเอืนะอน่ะใกล้กับมดเธอหน่อยอั <c oughs> <c oughs> นนี้นายช่างแก้วเนี่ยที่บ้านก็เลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่งสวยเชียวร้องเสียงดังคอคอยาวปากคมแต่นกกระเรียนตัวนี้มันก็ชุบกินเนือ้อนายช่างแก้วก็หั่นเนื้อไปก็โยนให้นกกระเรียนกินมั่งที่เหลือก็เตรียมจะไปนั่นละ่ะ ในระหว่างนั้นมีมหาเล็กนามแก้วมณีมาจากระยองว่าพระชาได้เครื่องบรรณาการมาเป็นแก้วมณีดวงใหญ่นะมาแล้วพูดถึงเรื่องสัจจะฝนมาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาแก้วมณีมาถึงให้ถวายไปนายช่างแก้วรับแก้วมณีมาเสร็จวางไว้มือตัวเองมันเปื้อนเลือดเลยรับแก้วมณีเสร็จแล้วแกะออกดูก็จับแก้วมณีดูโอ้รู้ว่างานจะต้องทํำยังไงก็ตั้งไว้ เดี๋ยวตัวเองก็ทั้งหมดอยู่ในสายตาของหลวงตานะแล้ว ก, วก็นายังแก้วก็เดินจากไปล้างไม้ล้างมือซึ่งคาดว่าแก้วมณีนี้จะต้องปลอดภัยเพราะอะไรเพราะหลวงตานั่งอยู่ไงพอตัวเองเข้าไปข้างในล้างมือล้างไม้เสร็จกลับออกมาแก้วมณีมันหายไปเป็นเรื่องไหมเป็นเรื่องเพราะอะไรมันหัวขาดเจ็ดชั่วโคตรเลยนะเพราะนี่เป็นสมบัติของ พระราชาเรื่องใหญ่เลยทีแก worries, ini, ้มณีหายไปสิ่งแรกที่แกคิดถึงก็ไปดูที่ภรรยาเก็บไปไหมเมียบอกไม่รู้เรื่องถามลูกลูกบอกไม่รู้เรื่องถามใครบางคนมีอยู่เท่านี้ก็มาถามหลวงตาแล้วหลวงตาเห็นแก้วมณีไหมหลวงตาเอาแก้วมณีไปหรือเปล่าตมาไม่ได้เอาถามคําแรกหลวงตาแก้วมณีเนี่ยมันคืออนาคตของครอบครัวผมเลยนะ ไม่งั้นนะทั้งหายไปเนะี่ยผมและลูกและพันรยาทั้งหมดในครอบครัวนี่ถูกประหารชีวิตหมดเลยหลวงตาเอาไปไหมเอาคืนมาเถอะอาตมาไม่ได้ออกไปหลวงตาพูดอาตมาไม่ได้ออกไปโยมที่นี้มันขึ้นเลยทมันเริ่มโกรธใช่ไมโกรธก็ด่าหลวงตาเลยทเลงาเนี่ยหลวงตาก็บอกอาตมาไม่ได้เ อ, อไปหรอกโยมเชื่ออาตมาเถอะ สิปีที่สนิทคุ้นเคยกันมาขาดสะบั้นเลยถ้าหลวงตาไม่ให้ตอนนี้ผมจะไม่ยอมไหมนะกบเข้าไปถึงเอาเชือกมาเมียก็มายืนดูอยู่เมียบอกโอ้ยหลวงตาก็ไม่ทํารกไม่ทาทำไมหลวงตานั้นไอ้นี่ก็ใช้เชือกมาถึงขันชนกรู้จักไหมรู้จักปะพันศีษะเอาไม้สอดเข้าไปแล้วก็หมุนมึงจะบอกไหมไม่บอกตายแน่วันเนี้ย หมดขาดแล้วความสัมพันธ์ทั้งหมดขาดกันหมดแล้วขันจนเลือดซึมออกมาเงี้ยและหนังตาตึงตาโปนออกมาเงี้ยหลวงตานั่งนั่งอยู่เนี่ยซุดเลยสุดทั้งนั่งไงนะซุดตั้นั่งเลยเนี่ยหลวงตาเอาไ ป, ไปเอามาดูไหนอาตมาไม่ได้ออกไปจริงๆแล้วนกกระเรียนตัวนั้นมันได้กลิ่นเลือดมันเดินเข้ามาเดินเข้ามาจะได้กินเลือดมันจะกินนะ ไอ้ช่างแก้วนี่มันโบโหเตะสวนกันไปที่หน้าอกนกกระเรียนตูมเนยนกกระเรียนลงไปขาดใจตายหลงตาโยมโนกกระเรียนตายเอ่ยยังนายช่างแก้วบอกว่ามันตายแล้วเดี๋ยวมึงก็จะตายเหมือนมันนี่แหละบอกโยคลายเชือกให้ตาอมาหน่อยคลายเชือกให้ตาอมาหน่อยเดี๋ยวตาอมาจะบอกบอกเกก็ลงตาเพราะเขาคลายเชือกเลยก็ไปจับนกกระเรียนดูเออมันตายแล้วจริงๆ บอกว่านกลูกแก้วเนี่ยอยู่ในท้องของนกกรเรียนเนี่ยอันนี้คือจริงในคว า, ามดีหลวงตารักษาศีลถ้าหลวงตาบอกว่านกกรเรียนเนี่ยมันเอามันกลืนนกแก้วลูกแก้วไปนะสิ่งแรกที่จะต้องเกิดคือนกกรเรียนโดนคอขาดผ่าท้องเพื่อที่จะเอาแก้วมนันีออกมาอย่างนี้เาเรียกว่าจริงต่อคว า, ามดี จริงต่อศีลของตนไอ้ไอ้นายทัาแก้วเสียอกเสียใจมากเออไม่รู้จะทำยังไงแลหลวงตาตั้งแต่วันนั้นหลวงตาปฏิญาณเลยข้าพระเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยปลีแข้งไม่แวะฉันบ้านใครอีกแล้วไม่ขอจะหดรับกิจ น, น, นี่บนตลอดหลวงตาฮะ หลวงตาบอกจะกอดรับกินนิมนต์ตลอดชีวิตจะถ้าวันไหนที่บินท บ, บาทไม่ได้จะไม่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยปลีแข้งอย่างเดียวแล้วทีนี้ไม่เอาแล้วความสำพงสำพันต่างๆข้างกวายนายช่างแก้วนั่นก็ได้แก้วมาดีไปแต่ว่าในในเรื่องราวท่านสรุปไว้ว่ า, วาหลวงพ่อดิดหรือหลวงตาดิดนี่เป็นพระอรหันนะ ต่อหลังอะแล้วก็ในชั้นแก้วก็ไปนรกส่วนภรรยาและลูกก็ไปสุคติเพราะว่าความรับรู้ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันภูมิจิตที่แตกต่างกันสะสมกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่อันนี้คืออะไรจ ร, จริงในความดีจริงในความดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาสัจจะมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราเนี่ย เราสามารถตรวจสอบและปฏิบัติได้คือหนึ่งจริงต่อหน้าที่จริงต่อการงานจริงต่อวาจาจริงต่อบุคคลจริงต่อความดีพูดย้ำหลายรอบหลายรอบไม่เห็นตอบได้แสดงก็จจำไม่ได้จริงต่ออะไรบ้างอ่ะจริงต่อการหน้าที่จริงต่อการงานจริงต่อวาจาจริงต่อ จริงต่อห้าจริงในชีวิตเวลาเราล้มเหลวสังเกตดิเราก็ล้มเหลวในหน้าที่นั่นแหละล้มเหลวล้มเหลวในหน้าที่ล้มเหลวในการงานล้มเหลวในการพูดล้มเหลวในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ล้มเหลวในเรื่องของบุคคลล้มเหลวหมดแด้บุคคลในเรื่องสำคัญมากแล้ล้มเหลวในเรื่องของพฤติกรรมคือการทำความดีของเรา อันนี้เรียกว่าเรื่องสัจจะเรียกฟันหลงจากสงกรานต์นี่ส่วนนี่ส่วนของสัจจานะยังมีส่วนของกตัญญูกตัญญูก็คือดูจากใครดูจากธิดาทั้งเจ็ดของท้าวกบินลพรมที่รับหน้าที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงวันนี้ดูคุณธรรมอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเมตตาของใคร ของกบิลพรมที่มีต่อเวนยศัตร์เพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของผู้นำผู้ใหญ่ที่บริหารบ้านเมืองว่าจะต้องอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องมีอะไรสัจจะและเบตตาก็จะเห็นได้ว่าเออโบราณก็ต้นผูกไว้ให้เราได้ศึกษาสืบต่อกันมาแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องไอ้พันธ์อย่างนี้ใช่ไหม อาต่เลนนามโอ้ยนั่งท้ายรถกาบะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหมันไปไกลมาก <c oughs> เลยอะไรเลยสัจจะเลยเมตตาขาดสติขาดสัมปาชัญญะสงการามเราก็เลยพังสงครามเราเลยพังพังหมดพังหมดไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องพันอย่างนี้ วันนี้ก็เลยเอามาพูดกันซะหน่อยหนึ่งในฐานะที่พวกท่านทุกคนเป็นนักนักนักอะไรนักปฏิบัติแล้ว <c oughs> เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่พูดกับนักปฏิบัติก็ไม่รู้จะพูดกับใครอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอะมักจะเข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติดีถ้าไม่หลงว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติที่ดี ก็เลยไม่ได้ตรวจสอบเราไม่ตรวจสอบในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติเลยปล่อยให้อำนาจของความหลงครอบงำและก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติ ด, ดีได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อย่างโน้นพระพุทธเจ้าสอนในอุเทศสวิพังกสูตร ว่าการประคองจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้แผ่ออกไปข้างนอกการประคองจิตไม่ให้จมหลบอยู่ข้างในการรักษาจิตไม่ให้เกิดความสะดุ้งไปด้วยอำนาจของอุปาทานเป็นหน้าที่ของคนปฏิบัติถ้าตราบใดที่จิตมันยังฟุ้งซ่านออกไปปรุงแต่งข้างนอกอย่ามาประกาศตัวว่าเป็นนักปฏิบัติ ตราบใดที่จิตมันหลบไปอยู่ข้างในหลงอยู่กับสมาธิหลงอยู่กับปิติหลงอยู่กับอารมณ์มันเป็นภายในอย่าประกาศว่าตนเองเป็นนักปฏิบัติเพราะเมื่อใดที่จะเมื่อใดที่หลงอยู่อย่างนั้นเมื่อนั้นความเป็นนักปฏิบัติของตอนขาดสะบั้นไปแล้วมันเหลือแต่แค่สัญญาและรูปแบบที่จะนำมาเจรจาและพูดกันในชีวิตปกติของเราถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริง ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆในชีวิตปกติของเราสามสีอย่า ง, ต, งต้องเกิดขึ้นอะไรที่จะเกิดขึ้นมั่งอ้าวอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นฮะ เ, เราจะวัดตรงไหนอ่ะในการใช้ชีวิตปกติของเราถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆหนึ่งอนะพิชาลุวิหรเรยะมันจะปรากฏสภาพชีวิตของเราจะอยู่โดยความไม่เล็ง เรียกว่าความเพ่งเล็งจะลดลงไปความเพ่งเล็งคือความลาบไอ้ความอยากที่มันฮอกออกมาจากความโลภมีความโลภอยู่แต่ความอยากที่มันฮอกออกมาจากความโลภเดี๋ยวเล็งกันนั้นเดี๋ยวเล็งกันนีเดี๋ยวเล็งกันน้นเดี๋ยวเล็งกันนั้นเล็งกันน้นเล็งเลงไปเรื่อยไอ้เล็งเนี่ยมันจะถูกขัดเกลาลงไปมันจะอยู่ในความไม่เล็งนี่เป็นประการแรก ประการที่สองอัยาปันเดนาเจตาโซ่ไม่ฮะไม่เออมันอยู่โดยการมีอภัยเป็นเจ้าเรือนแล้วอยู่ที่ถามตัวเองว่าเราเป็นนักปฏิบัติในบ้านเนี่ยมีพ่อแม่ลูกลูกอีกคนไม่มาใช่ไหมโอ้อันนี้เหมาะกับการยกตัวอย่างมากเลยเพราะว่ามันครบเซต <laughs> มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันสี่ห้าชีวิต มันหุดหงิดขืนเครื่องใครอยู่มั้งมาอาการทํามาเจอหน้าพระดูเอาผู้ฟังพระเทศน์โอ้ยสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสพอกลับไปถึงบ้านเปิดประตูบ้านก็ไปหน้าหุบเลืเนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ ะ, อะเพราะพยาบาทพยาบาทมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากความขัดใจไม่พอใจเออเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ดี จะต้องขัดเกลาพยาบาทตัวนี้ออกไปใจมันจึงพร้อมที่จะอภัยแล้วโยมคิดดูสิสามีอภัยให้ภรรยาไม่ได้แล้วมันจะอภัยให้ใครในโลกนี้ลูกอภัยให้แม่ไม่ได้อภัยให้พ่อไม่ได้แล้วมันจะภัยใไ้ใครยังไงฮะถูกไหมเพราะ การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับที่สองที่ปรากฏชัดเลยเราตรวจสอบตัวเราเอางได้อภยาปานเดนะเจตาโซคือใจมันไม่พยาบาทมันพร้อมที่จะอภัยอันนี้พรเรมตฏิบัติปฏิบัติกับหลวงพ่อธุชีพวันนี้กลับไปถึงบ้านพอเข้าไปถึงปดเห็นเห็นรองเท้าคนที่เราไม่ชอบนะ <c oughs> <c oughs> พอเห็นรองเท้าของคนที่เราไม่ชอบองไงยกยึดเข้าไปสู่อะไร สูลมหายใจเป็นสุขเป็นฉุกเถอต้องอภัยให้กับคนที่เราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ก่อนนะอืนี่คือนะั่งปฏิบัติประกาศที่สองประกาศที่สามอะไรสัโตเนี่ยนี่มันควางบ่อยมันต้องอย่างนี้สัโตแปลว่ามีสติ วัดได้จากตรงไหนสโตมีสตินีวัดได้จากตรงไหนฮะวัดได้จากสิ่งกระทบอืมวัดได้จากสิ่งกระทบว่าพอมีอะไรมากระทบพับดูที่มันมีระยะในการใช้สติไหมถ้าระยะในการใช้สติมันมีพื้นที่ให้เราใช้สติวิเคราะห์พินิจพิจารณาเส่ยก่อนนั่นถ้ามันมีระยะให้ แล้วก็มีการวิเคราะห์มีการพินิษฐ์พิจารณาก่อนอันนี้เรียกว่ามีสติแต่พอกระทบปับ๊บ <Yeah. S 1> <c oughs> พอกระทบพับจิตเราหลุดออกไปแล้วก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์อันเป็นอกุศลเกิดขึ้นต่างๆนานานั้นแสดงว่าอะไรไม่มีสตินั้นคนปฏิบัติมันจะต้องมีสติสติมาจากไหน สติมาจากการบ่มเพาะอารมณ์อันเป็นอุเบกขาอารมณ์ันเป็นอุเบกขาจาได้ไหมล่ะเวลาเรารู้ลมหายใจจิตที่รู้ยกเข้าไปสู่ลมหายใจเวลารู้เข้าไปสู่ลมหายใจอาการรู้นั้นนะ่ะเป็นสติเมื่ อ, อ, อยกเข้าไปสู่ลมหายใจในสตินี่ระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจในขณะที่รู้ลมหายใจ คลออยู่นั้นรู้คลออยู่กับลมหายใจนั้นเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะต่อเนื่องไปนานเข้านานเข้านานเข้าทําให้รู้นั้นเกิดมามีกําลังพอรู้เกิดมามีกําลังจะทําให้เกิดอุเบกขาคือจิตจะหลีกออกมาจากลมหายใจนี่เป็นสเต็ปของเขาเป็นอย่างนี้พอพออยู่กับอุเบกขาได้จิตมีอุเบกขาเป็นอารมณ์รู้อยู่กับอุเบกขานั้นบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยๆยบ่อยบก็เกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นทุกอินยาบททุกขณะในเวลาเป็นจริงเนี่ย เห็นคาตาอยู่นี่ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่คิดขณะที่รู้สึกขณะที่สัมผัสในขณะที่เป็นปัจจุบันมีความตั้งมั่นของจิตอยู่ที่อุเบกขาอยู่พออย่างนี้ปับ๊บจิตเมื่อมีสิ่งกระทบปับ๊บมันจะยกออกจากอุเบกขาเพื่อไปสู่สิ่งที่กระทบใช่ไหมอาการที่ยกไปก็คือตัวอะไรตัวสติสติ ที่ยกออกไปสู่สิ่งที่กระทบแม้มันเกิดการคิดอะไรก็ตามความคิดทั้งหมดมันเป็นโมเดลของอะไรโมเดลของอะไรของสติเพราะระยะระยะนี้ทำให้สติมีพื้นที่ในการพินิจพิจารณาระยะของอุเบวขาทำให้สติมีพื้นที่ในการที่จะพิจารณาแต่ถ้าไม่มีระยะสติไม่มีพื้นที่ในการพิจารณาเรียกว่าสติมีกาลังอ่อนพอกระทบปับป๊บไปไง จ ม, จมอยู่ในอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างนั้นไปพอมันมีความโกรธเกิดขึ้นจิตทั้งดวงหลน่นลงไปใน่วงของความโกรธก็แสดงว่าตอนนั้นเรากําลังเรากําลังอะไรเรากําลังโกรธโดยที่เราไม่รู้เลยพอมันมีถึงกระทบทําให้เกิดความเกลียดจิตทั้งดวงหลน่นลงไปในความเกลียดกลายเป็นเรากําลังเกลียด ความเดือดความเคียดแค้นเกิดขึ้นจิตทั้งดวงหล่นลงไปในความเคียดแค้นตอนนั้นเรากำลังแค้นเวลาจิตทั้งดวงห ล, ลงน่นลงไปในสภาวะแบบนั้นหลวงพ่อไปพูดได้ไหมโยมใจเย็นๆลูงพ่อพูดได้ไหมเพราะมันไม่มีระยะมันไม่มีระยะให้เรามาพิ จ, จารณาสติมันทามาไม่ได้อ่า หลวงพ่อพูดได้บอกกำลังกำลังกลั ง, ลงดา่าชนๆๆๆๆโ ย, ย, ย, ย, ย, ยมใจเย็นๆทีเนี้ยทีเนี้ยหลวงพ่อจะโดนอีกคนหนึ่งแอันนี้คือนี่คือแต่ถ้าเราปฏิบัติทำเราจะได้อะไรสโตคือมีสติขึ้นมีสติขึ้นขับรถปกติเนี่ยบัะ เ, เอไปได้ ใ, ใครปนนะัดหน้าใครเฉียวใครนะันอะไรแล้ว ด่าซ้ายด่าขวาไอคนคนนั่งรถคนโดนด่ามได้ยินไหมถ้าพระนั่งหลังอยู่ก็พระเต็มเต็มหัวพระนี่อะไรได้ยินเออถ้าลูกขับรถแม่นั่งเบาค่างค้างแล้วใครได้ยินไอโดนได้ยินไหมแต่ถ้ามีสติในขณะที่มันกระทบสติออกมาทํางานนะ คือบางคนสิ่งที่กระทบบางทีมันไปตรงต่อต่ออนุสัยที่เขามีกำลังทำให้ระยะนั้นไม่มีสติทำงานไม่ได้แต่ถ้าสิ่งที่กระทบนั้นมันมีพื้นที่ให้สติได้มีโอกาสสติที่เราฝึกอยู่มันจะทาขึ้นจะออกมาออกหน้าขึ้นมามันทำให้พินิจพิเคราะ์พินิจพิเคราะห์ก็คือว่าถ้าเรากระทำไปตามผัสสะที่มันกระทบเนี่ยโกรธแล้วก็ด่าไปคอยให้ความโกรธก็ มันก็จะเห็นตัวความโกรธเห็นตัวความโกรธกับโกรธเหมือนกันไหมเห็นความโกรธกับโกรธเหมือนกันไหมโกรธหมายความว่าเรากระโดดลงไปในดวงของความโกรธแล้วแต่เห็นความโกรธคือความสิ่งที่กระทบเป็นความขัดใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดความโกรธขึ้นจิตเห็นความโกรธไอตัวที่เห็นความโกรธนี่หมายความว่ามีพื้นที่ให้อะไรให้สติ จิตเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธที่ถูกจิตเห็นนั้นปับ๊บมันยังไงมันจะเบาตัวลงแล้วก็ดับไปอันนี้คือมีสติประการที่สามเรียกนักปฏิบัตินะประการที่สี่คืออะไรเอกคัตตจิตตสัตชัตตังสุสมมาหิโตหปพูดดิเอกคัตตจิตตสั อัจจตังสุสมาหิโตต้องจําไม่ได้สิมันจะได้ตรวจสอบตัวเองว่ามัเป็นนั่งสมาธิจนก้นเมื่อยแล้วไปเมื่อกี่สํานักและนี่ก็หลายสํานักนี่ก็หลายสํานักไปไม่รู้กี่สํานักไม่รู้กี่อาจารย์แล้วนั่งสมาธิจนนาฬิกาพังไม่รู้กี่เรือนนะ้วมันต้องตรวจสอบตัวเองได้มั่งสิเอกคตจิตตสัอัจจตังสุสมาหิโตก็คือว่า อะไรมีจิตตั้งมั่นดีในภายในในมีจิตตั้งมั่นดีในอารมณ์อันเดียวอันเป็นภายในเนี่ยตัวนี้สำคัญมากจิตตั้งมั่นดีในอารมณ์อันเดียวอันเป็นภายในจำไหมนะอัจจตังอันเป็นภายในภายนอกไม่ได้ถ้าภายนอกก็ขี่โม้ อ่านจากหนังสือหรือฟังแค่เทศหรือฟังจากซีดีแล้วจะมาบอกว่าฉันตั้งมั่นภายในตั้งตั้งมั่นแล้วเนี่ยขี้โมมันจะต้องมีสภาวะมารองรับสภาวะมารองรับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องยกจิตเข้าสู่อารมณ์อันเดียวอันเป็นภายในคือกายและใจของตนเองเท่านั้นเข้าใจปะ กายและใจของตนเองนี่แหละหรือรูปและนามนี่เป็นอารมณ์ของจิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นขี้โมที่อตาต ม, มาว่าขี้โมคือพระพุทธเจ้าไม่รองรับไม่สามารถเข้าไปสู่สัมมาสติและสมาสมาธิได้เพราะฉะันอัจฉรังนี่คืออันเป็นภายในคือคือตัวเองรูปนามนี้เท่านั้นรูปนามนี้ก็ไม่ได้รูปนามนี้ก็ไม่ได้ต้องรูปนามนี้เท่านั้นเออ เันอาการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวเช่นลมหายใจจิตยกเข้าไปสู่ลมหายใจของตัวเองไม่ใช่ลมหายใจของคนอื่นนะยกเข้าไปสู่ลมหายใจของตนเองจนมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่จิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นี่เรียกว่าอันเป็นภายในสุสมาหิโตตั้งมั่นดีอะไหรือ ม, มีคําว่าสุตัวนะ สมาหิโตนี้ตั้งมัน่นแต่มีสุมาตัวหนึ่งด้วยเรียกว่าตั้งมั่นดีหมายความว่าตั้งมั่นอันบริสุทธิ์ตั้งมั่นอันบริสุทธิ์ตัวนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องเพียรภาวนา จ, จนจิตหลีกออกจากอารมณ์ที่จิตเข้าไปอยู่อันเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นมีอุเบกขาเป็นอารมณ์อุเบกขาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยอํานาจของอารมณ์อันเดียวถ้าเรารู้ลมหายใจอยู่ อุเบกขาเกิดขึ้นจากอำนาจของลมหายใจออกลมหายใจเข้าลีกออกมาจากลมหายใจแล้วมีอุเบกขาเป็นอารมณ์อยู่นี่สติปรากฏสติปรากฏสติตัวนี้ที่ปรากฏพอสติตัวนี้ปรากฏมันก็จะเป็นอะไรความตั้งมั่นนี้จะเป็นอะไรความตั้งมั่นก็จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากไหน บริสุทธิ์จากเจตนาทั้งปวงที่จะวุ่นว่อนกันไปหมดเลยบริสุทธิ์จากเจตานาทั้งหลายเลยไม่มีเจตนาที่จะโน้มเข้าไปสู่ ส, สิ่งอื่นใดทําให้ความตั้งมั่น น, น, นี้บริสุทธิ์ความตั้งมั่นที่บริสุทธิ์ น, นี้เรียกว่าสุสมาหิโตและทุกคนที่ภาวนาจะเข้าไปสู่อารมณ์นี้ทุกคนเผลอแป๊บเดียวก็ได้เผอแป๊บเดียวก็ได้แต่ได้แล้วมันหายได้แล้วมันหายได้แล้วมันหลุดได้แล้วมันหลุด เราจะต้องอาศัยความเพียรที่จะต้องภาวนาเข้าไปสู่สภาวะนี้ให้ได้บ่อยๆจนมันเกิดความชํานาญแต่เอกคักตจิตาสอัจฉรังสุสมาหิโตตัวนี้คือผลของการเป็นนักปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติได้ไหมไม่ไ ด, ไได้เห็นไหมอ่านหนังสืออย่างเดียวได้ไห ม, ไมไคว่างอย่างเดียวได้ไหมไ ม, ไ, ไม่ได้เลยไม่ได้เลย ต้องเอารูปนามหรือกายใจนี้มาเป็นอารมณ์ของจิตต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะเกิดสภาวะนี้ได้ถ้าไม่มีประสบการณ์นี้ความตั้งมั่นของจิตจะมีไหมไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสรับรองไว้ตั้งแต่พาสิเตตมายกเมื่อตอนเช้าสมาทิพิกเวพาเวตะพิษุตั้งหลายเธอจงจเจริญสมาธิเธอสมาฮิโตพิกเวพิก ข, ขุยะถาภูตังปชานาติเพราะ พิกษุที่มีจิตตั้งมั่นดีแล้วจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นเนี่ยถ้าไม่เป็นนักปฏิบัติไม่เป็นภาวนาเนี่ยที่ถูกต้องจะได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่มีทางไม่มีทางได้ไม่ขี่โม้ขี่คุยทั้งนั้นแล้วก็พากันผิดรูปผิดทางไปหมดแล้วก็ยกตนเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้เพราะเราไม่ค่อยได้พูดกันแบบนี้ไง ไม่ค่อยได้พูดกับแบบนี้ไม่ค่อยพูดสติเป็นธรรมชาติของสติไม่ได้ค่อยพูดสมาธิเป็นธรรมชาติของสมาธิมันเลยปล่อยให้ชาวบ้านขึ้นมามั่วงุมงานไปหมดตอนนี้เกิดเป็นอะไรพระศรีอริยาเมตรอย <c oughs> ใจหายไมมละ่ะนักปฏิบัติใจหายไหมเรียกพระพุทธเจ้าไอโคโดมเป็นไงไม่รู้เรื่องเลย ทำไมมันจึงเกิดเรื่องราวพวกนี้เพราะธรรมชาติที่ชื่อว่าสติมันเป็นแค่ตัวหนังสือธรรมชาติที่ชื่อว่าสมาสมาธิมันเป็นแค่ตําราไงมันไม่เป็นสภาวะที่เราสามารถยางรู้ลึกเข้าไปสู่ความรู้สึกนั้นผลของการเป็นนักปฏิบัติจะต้องมีเหตุมิเขจะต้องมีสี่ประการที่ตะมากล่าวอภิชาลุวิหารยะอภิยาปันเดนะเจะตัสโซสัตโต สุดท้ายคือเอกคัตตาจิตัสาจจตังสุสมาหิโตอันสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งผลอะไรให้กับเราอันสุดท้ายมันจะส่งผลอะไรให้กับเราอันสุดท้ายจะส่งผลให้เกิดสัมมาวายมะได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จิตมันตั้งมั่นดีจากการที่อยู่ในอารมณ์อันเดียวอันเป็นภายใน ฝึกฝนอย่างนี้บ่อยๆจนมันรู้และสัมผัสในตัวของมันเองได้ต่อไปพอมีอะไรกระทบปับ๊บเห็นอกุศลเกิดเพราะอกุศลจะเกิดจิตไม่เสพอกุศลแต่สิ่งที่กระทบเป็นปัจจัยแห่งอกุศลขั้นรุนแรงสมมติเราเราไปเจอคนก็มาด่าพ่อด่าแม่เราเงี้ยเหตุกระทบแล้วทําให้เกิดอกุศลอันรุนแรง แต่เราไม่เสบอากุศลจิตตอนนั้นมันจะทำอะไรมันจะต้องเข้าไปเสพอารมณ์มันเป็นภายในใช่ไหมเออเข้าไปเสพอารมณ์อันเป็นภายในเรียกว่าป้องกันอากุศลที่กําลังจะเกิดไม่ให้มันครอบงําจิตคือไม่ให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นองค์ของสัมมาวายมะนี่เป็นองค์ของสัมมาวายมะ ไอ้เรามีอย่างนั้นหรือเปล่าเวลอาอกุศลจะเกิดเราสามารถเห็นอกุศลที่มันกําลังจะเกิดแล้วเราสามารถกันอกุศล น, นั้นออกไปจากจิตไม่ให้จิตไปเสพอกุศล น, นั้นแล้วยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเป็นภายในได้ไหมพระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าวิชาเต่าวิชาเต่าเคยได้ยินบ้ะงหรนั่นแหนะที่เคยพูดให้ฟังเหมือนกับเต่าที่มันหดเอาวัยวะทั้งห้าไม่ให้สุนัขกินจอกมากัดกินมันได้เหมือนกัน ถ้าไม่สามารถเข้าสู่สภาวะที่เป็นการนักปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีทางไม่มีทางที่จะเข้าสู่ตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยไอเราเราไม่มีความรู้พวก น, นี้เราไม่พบพระเจ้าเราไม่ได้ได้ยินคำสอนของพระเจ้าแบบนี้เวลามีปัญหาแบบนี้เราไปเจอเด็กคนหนึ่งมันกำลังยืนโกรแเราสอนมันยังไงให้ตังค์เพื่อให้มันไปเปลี่ยนเรื่องใช่ไหม ดูว่าลูกเรามันชอบไรมันชอบเะไรเกมเออยิบนะหายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อซื้อเกมให้มันก็ยิ่งอะไรยิ่งส่งเสริมอํานาจของอกุศลทางยิ่งทําให้มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาวิชฉากามันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิจะเริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในลูกของเราเราไม่รู้ว่าเรากําลังอะไรยัดเยียดปีศา ให้เข้าไปเป็นใหญ่ในชีวิตลูกของเราเองพอครั้งลูกเราโตขึ้นมาหน่อยเดียวมันยังเป็นแค่เป็นวัยรุ่นเราเอามันไม่อยู่แล้วเราเอามันไม่อยู่แล้วเราก็มานั่งโทษใครเราโทษใครเออเราเป็นผู้ยัดเยียดปีศาจร้ายใส่ลูกของเราเองเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักพระพุเจ้าเราไม่รู้วิชาของพระพุเจ้านั้นผลของการปฏิบัติจะต้องเกิดสี่ประการเนี้ย อภิชารุวิหารยะอะไราประเด็นอเจโซสโตเอกคคะจติสัจตังสุสมาหิตโตแล้วการรู้ลมหายใจลมหายใจอันเป็นอารมณ์ภายในจิตยกเข้าไปรู้ลมหายใจพอแค่เข้าไปรู้ลมหายใจเท่านั้นอะจิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วใครที่รู้ลมหายใจแล้วจิตไม่เปลี่ยนแปลงบ้างฮะ มีไหมในขณะที่เรารู้ลมหายใจจิตรู้ความรู้ที่คลออยู่กับลมหายใจมันทำให้จิตนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีแลเปลี่ยนแปลงไปไหนเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความสงบแต่เวลาจิตมันจะวุ่นวายมันวุ่นวายตัวไหนวุ่นวายตอนมันออกจากลมหายใจแล้วมันไปเสพอย่างอื่นทำท่าไปอย่างนั้นนะว่านั่งรู้ลมหายใจแต่จริงๆแล้วกาลังวิตก ค, คิดเรื่องอื่นปรุงแต่งเรื่องอื่นมันก็เลยเกิดความวุ่นวาย แต่ตราบใดที่เขารู้ยกเข้าไปสู่ลมหายใจและรู้นั้นคลออยู่กับลมหายใจความเปลี่ยนแปลงของจิตจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความสงบและรู้นั้นจะแข็งแรงรู้ที่แข็งแรงนั่นแหละเขาเรียกอนุปาานัสนาญาณทําหน้าที่เป็นอนุปัสติทําหน้าที่เป็นอนุปัสติคือเห็นตามเห็นลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูถูกเห็นนั้นการรู้ ความเข้าใจการดูการเห็นมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนและอบรมแบบนี้และรู้ที่เข้าเข้าใจที่เข้าใจอย่างนี้รู้ที่เห็นรู้ที่รู้อย่างนี้เห็นที่เห็นแบบนี้ดูที่ดูได้แบบนี้นั่นแหละเป็นองค์ธรรมมันไม่สามารถเข้าไปถึงได้ด้วยการอ่านมันไม่สามารถเข้าไปถึงได้ด้วยการอ่านพระไตรปิฎกสิบตลบไม่สามารถ มันขามันสามารถอย่างเดียวก็คือว่ายกจิตรู้เข้าไปสู่สิ่งซึ่งถูกรู้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนมีสภาวะปรากฏและจิตรู้เห็นสภาวะที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงจิตรู้ที่เห็นสภาวะปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่ารู้จริงเหมือนเราจุดตะเกียงตะเกียงมันร้อนเราสอนลูกเรา บอไอ้หนูนี่ตะเกียงมันเป็นไฟนะลูกโดนแล้วมันไหม้บวมแสบทองอย่าไปจับนะเด็กมันฟังมันเข้าใจไหมเข้าใจมันรู้ไหมมันรู้มันรู้ตามที่เราสอนรู้ตามที่เราบอกเรียกว่ามันรู้ตามเสียงรู้ตามตัวหนังสือถูกไหมล่ะแต่พอเผลอเราไปไงมันไปจับพอไปจับปั๊บไหม้ปั๊บเสียป๊บรอนรอนรอนต่หลังเราเอาตะเกียงไปส่งให้มันมันทําไงทําไมทําไมมันวิ่งหนีเพราะว่ามันรู้จริง วันการรู้จริงจะความรู้นั้นจะต้องมีสภาวะรองรับเสมอและสภาวะที่ปรากฏนั้นจะต้องปรากฏตามความเป็นจริงจิตรู้เห็นสภาวะที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงรู้ตัวนั้นรู้จริงแล้วลองนึกสภาพดูสิเรารู้ลมหายใจอยู่รู้ลมหายใจอยู่แล้วมีความรู้สึกอื่นๆเยอะแยะมากมายที่มันปรากฏเราไม่ทิ้งลมหายใจเรารู้ลมหายใจแต่เราเห็นความรู้สึกที่ปรากฏด้วย ความรู้สึกที่มันปรากฏเราเห็นพอรู้รู้ปับ๊บพอมีความรู้สึกนี้ปรากฏปั๊บมันหายไปสมมติว่าไม่คนที่นั่งหน้าไม่ชอบคนนั่งหลังยกตัวอย่างขณะที่รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจได้ยินเสียงคนข้างหลังใช่ไหมมันเกิดความไม่ชอบพอพอจิตเราหล่นลงไปในใ น, ในดวงนี้ดวงอกุศลดวงนี้ปับ๊บมันก็จะทำอะไรปรุงไปว่ามันทําอะไรของมันวะมันไม่รู้เรื่องนึ อ, งอยังไงวะ เอ๊มันไม่รู้เหรอว่าที่นี่ก็าเป็นที่ปฏิบัติธรรมไอน้นนเงียบไปแล้วนะเราไปไงนั่นมัจะมาทําไมวะไอ้คว่างนนท์ไปไงเงียบไปแล้ว <N> <sembla. S 1> ไอ้นนเงียบไปแล้วเรายังเรายังไม่หยุดเลย <S <S ข้างในอะ่ะอ่าวที่นี้ในทางกลับกันในทางกลับกันในขณะที่เรารู้เรหารรหายใจพอรู้เราหายใจปั๊บมีเสียงเกิดขึ้นหูเราได้ยินเสียงเสียงกระทบผูได้ยินคือได้ยินตรงตรง ใช่ไหมสภาวะปรากฏจิตรู้การได้ยินได้ยินได้ยินรู้กับการได้ยินเกิดขึ้นตรงๆเพราะรู้ว่าเอ้ยมีเสียงเกิดขึ้นเกิดการได้ยินมีเสียงเกิดขึ้นเกิดการได้ยินหยุดการปรุงแต่งทั้งหมดนั้นจิตรู้อยู่กะลมหายใจมันดับไหมพอพอพอได้ยินพอมีเสียงปรากฏปั๊บเราได้ยินใช่ไหมได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินคือได้ยินคือมันเกิดขึ้นพอเสียงนั้นหยุดปั๊บไม่มีการปรุงแต่งต่อมันดับไปจิตก็รู้ว่าอันนั้นมันดับไปแล้ว แล้วก็เลยไปเกาะลมหายใจต่อคือถ้ารู้จริงมันจะเห็นการเกิดและการดับจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้จริงไอ้เรารู้การเกิดอย่างเดียวอะแล้วเราไม่รู้ดับอันดับไปแล้วเราไม่รู้เราไม่ยอมใช่ไหมเราก็ปรุงอยู่นั่นนะ่ะสรุปความไอ้หลังจากที่เสียงนั้นดังขึ้นน่ะได้รู้ลมไหมฮะได้รู้ไหมมาเพราะฉะนั้นรู้จริงหมายความว่ารู้ ในสภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริงไม่อนุมานไม่ไปตามอำนาจของสัญญาไม่อนุมานไม่ไปตามสัญญาแล้วการที่เราปรุงแต่งตามสภาวะที่ปรากฏสัญญาจะมาแล้วแลัฐานของสัญญานี่จะเปลี่ยนมากพอสัญญาเปลี่ยนการปรุงแต่งนี่ก็จะมีรสชาติมากขึ้น การปรุงแต่งก็จะมีรสชาติมากขึ้นเหมือนนั่งสมาธิเราเห็นแสงใช่ไหมแสงเราสังเกตไหมแสงมันจะมีการเปลี่ยนคนที่เห็นแสงอ่ะเคยเห็นแสงใช่ไหมเห็นแสงมันสีแสงมันจะเปลี่ยนใช่ไหมมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะสัญญาฐานสัญญามันจะเปลี่ยนไปแสงมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปเข้าใจเอาเองว่าแสงชนิดนี้คือชั้นนี้แสงชนิดนี้คือชั้นนี้แสงชนิดนี้คือชั้นนี้โอ้โคือเราเก่งเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน เรเก่งเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเหมือนกันนะเมื่อเรารู้เราหมายใจมีเสียงกระตบมีอะไรการสภาว่าปรากฏปั๊บพอมันเป็นอกุศลมันเริ่มปรุงปั๊บสัญญามาแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครั้งก่อนมาเขาที่แล้วมาโคตรเคลื่อนไหวก็มีไอ้คนใหญ่ยยคนนี้แหละทําเถียงอย่างเงี้ยเ อ, อครั้งหนึ่งไปวัดปูพรารามก็อย่างเงี้ยครั้งหนึ่งไปไหนก็อย่างเงี้ยคนนั้นก็ โอยคุณว่าแล้วเจียวเ้ยอย่างนี้ฐานข้อมูลเหล่านี้เป็นสัญญาจิตเรากําลังหลน่ลนลงไปอะไรหล่นเข้าไปสู่อะไรสู่อดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีมาตรฐานของความเป็นนักปฏิบัติไม่มี เ, เรียกว่าไม่มีความเป็นนักปฏิบัติหลงเหลืออยู่อีกเลยนะักขนาดนั้น ความเป็นนักปฏิบัติวิญญาณของนักปฏิบัติที่จะหลงเหลือเล็กคงอยู่จะต้องอยู่กับอะไรอยู่กับปัจจุบันปล่อยให้จิตปรุงลงไปสู่อดีตนั้นแสดงว่าอะไรหมดแล้วปล่อยให้จิตไปอยู่อนาคตเป็นไงอดีตคืออะไรอดีตคือสัญญาสัญญาทั้งหมดน่ะอยู่ในอดีตทั้งสิ้นเลยเมื่อเกิดตามกำนาของสัญญาที่ปรุงแต่งจิต เราคิดเอาเองว่าเราอยู่กับปัจจุบันแท้ที่จริงอะมันมาจากเหตุปัจจัยของอดีตมันจึงเป็นจิตที่เสมออารมณ์ในส่วนที่เป็นอดีตความคิดเป็นอะไรเป็นอดีตกับอนาคตส่วนปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือความจริง จำไหมนะฮะ <laughs> ปัจจุบันคือความจริงความจริงที่มันเกิดจริงๆเสียงที่มันได้ยินพอมันได้ยินปั๊บมันจบยังจบไปแล้วนั่นนะคือความจริงมันผ่านไปแล้วที่เหลือคือเดี๋ยวก็ไม่รู้อดีตหรืออนาคตแหละ <laughs> ถ้าอนาคตคือไงโคดนี้โคดสองวั น, นี่มันได้ยินเสียงนั้นจบไปแล้วนะโคดนี้สองวันนี้วันนี้ป น, นีเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ว่าอย่างนี้อีกะ ไปยังไปยังไ ป, ไปอนาคตอีกแล้วแต่แต่ความจริงเป็นไงจบไปแล้วและปัจจุบันก็คือความจริงถ้ามันจบปับ๊บเรามีลมหายใจเป็นอารมณ์อยู่ใช่ไหมพอ จ, จบปับ๊บมันก็ไปไหนก็ไปลมหายใจมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มันก็จะดีแบบนี้แหละเออ <S <S ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแต่เราจะต้องรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องไว รู้ลมหายใจต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจะบ่มเป็นบารมีทําให้กับจิตของเราแล้วมันจะเกิดของมันเองเรื่องบารมีธรรมเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายชาวขึ้นมาก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จก็เตะกระสอบเตะกระสอบเสร็จก็เล่นกระโดดเชือกกระโดดเชือกเสร็จก็ชกลมชกลมเสร็จก็สิตอัปสิตอัปเสร็จก็ทำน้ำหนักไปเรื่อยเรืยเรยเรยความแข็งแรงของร่างกายก็จะเกิดขึ้นสัญชาตญาณของการป้องกันตัว มันก่อนมีคลิปอย่างเงี้ยคนไทยที่ในอเมริกาไหมที่คนผิวขาวมันเดินก็มาจะชกไปเดอในคนไทยคนนั้นมันเป็นมวยมันหลบมันถอยหลังแลยหลบฉากสองทีมันซัด ก, กลับหลับสนิทคารถเลยไอเนี้ยไอวิ ช, ชานะนะั้นอ่ะเห็นวิชาท่านไหมมันมาจากไหนมาจากการที่เขาฝึกฝนอบรมบารมีธรรมเหมือนกัน มันรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆมันจะอบรมจิตให้ตกผลึกเป็นบารมีธรรมและจะปรับเปลี่ยนภูมิจิตของเราแล้วออกมาในชีวิตประจําวันไอ้เก่งในสนามฝึกไม่เท่าไหร่หมูในสนามจริงสิงในสนามซ้อมเลิก <c oughs> สนามจริงคือที่ไหน <c oughs> มันไม่ใช่มานั่งอย่างนี้นะ <c oughs> สนามจริงไม่ใช่มานั่งอยู่ตรงนี้ ไอ้ตรงนี้มันจะทําอะไรก็ถือรับสินเสร็จข้างหน้าก่อนพระข้างๆก่คนนั่งสมาธิมันใครจะทําอะไรกันเราตรงนี้นะเขาเรียกว่าสนามซ้อมสนามจริงคือเดียวเลิกจากตรงนี้กลาบพระเสร็จลงไปก่อนขึ้นรถตั้งแต่ออกจากอาคารทํานี่ไปนั่นคือสนามอะไรสนามจริงเราจะต้องเป็นสิงในสนามจริงอืต้องเป็นสิงในสนามจริง สิ่งที่มากระทบที่เกิดขึ้นทุกๆของการเคลื่อนไหวในชีวิตจริงๆต้องมีสติสมาธิและปัญญาเข้าไปฝึกฝนอบรมเรียนรู้วิเคราะห์วิจัยธรรมานัสสีการพินิจพิจรารณาไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วเกิดเป็นอคติเดินไปในเส้นทางของอกุศลซึ่งสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะเกิดได้กับชีวิตของเราถ้าเราจะเริญสติ ฝึกฝนอบรมต่อเนื่องให้สติมีกําลังแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมต้องอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเสร็จครับไปถึงบ้านนั่งไหวพระภูมิเจ้าที่กอร้องไอ้ปกป้องคุ้มครองลูกหลานรอบครัวขอให้มีเงินมีทองขอให้อ น, น, นุขอให้อ น, นี้เสร็จแล้วตัวเองเอาชีวิตไปวากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไห ม, ไมไลูกพระพุทธเจ้าต้องเอาชีวิตวากไว้กับอะไรวากไว้กับสติปัญญา ไม่เอาชีวิตทั้งชีวิตไปขวากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องเอาชีวิตไปวากไว้กับสติปัญญานี่คือลูกของพระพุทธเจ้านะลูกของพระพเจ้าจะต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าอินทรียังไม่ประชุมลงอินทรียังไม่สโบทานเราจึงต้องรู้ลมหายใจให้มากมากมา ก, มา ก, มา ก, มากเพื่อให้อะไรให้อินทรีย์สโบทาน เมื่ออินทรีย์สโบทานขึ้นมาเมื่อไรศรัทธาสัจทินทรียนั้นมันจะมีภาพของความไม่หวั่นไหวไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจะไม่หวั่นไหวออกไปจากพระรัตนาตรโดยเด็ดขาดเอวิริยินทรียเมื่อประชุมลงแล้วเขาจะเป็นลักษณะไหนประคองการต่อเนื่องอย่างมีฉันทะมีฉันทะจะเห็นภารกิจหลัก เออจะมีเรื่องหลักแต่เดิมเราเห็นอะไรเป็นเรื่องหลักเรื่องนอนเป็นเรื่องหลักเรื่องกินเป็นเรื่องหลักเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักเรื่องเรื่องหลักของเรามันเยอะมากใช่ไหมแต่เมื่อวิริยะมันประชุมลงมาเป็นอินทรีย์เป็นวิรินทรีย์แล้วการภาวนามันเป็นเรื่องหลักเรื่องอื่นๆนั้นเป็นอดีเรกฉันทะจะไปอยู่ที่ไหน ไปอยู่ในการภาวนาและเมื่อมันใช้ชีวิตในปกติตื่นเช้าขึ้นมาทำงานทำการทำงานอะไรทุกอย่างมันจะมีวิทยะตัวนี้เข้าไปต่อยอดของการภาวนาอยู่ทุกทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเมื่อสตินทรีประชุมลงมันเกิดอะไรขึ้นสตินรีสติประชุมลงมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงฮะ มันก็จะเกิดการประคองเกิดการประคองแล้วก็ตั้งมัน่นเมื่อสมัญทินรีประชุมลงไม่ฟุ้งซ่านจริงจังทำอะไรก็ทำจริงจังมีสมาธิที่นแน่วแน่เดียวๆไม่ฟุ้งซ่านต่อกิริยาที่กระทำอพอปัญญินซีประชุมลงเป็นไงมันก็จะรู้เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่กระทบ พอรู้ฝาสมมุติเป็นฝามันก็รู้รู้ในสมมติมันก็เป็นฝาใช่ไหมออข้างล่าง น, นุ่นข้างบนบุม๋มตรงนี้มีจุกอะไรที่เป็นจริงปรากฏมันก็รู้จมเป็นจริงอย่างนั้นตามสมมติปิดก่อนเดี๋ยวแตก <c oughs> มันสนุกกับการเป็นนักปฏิบัติถ้าเข้าใจนักปฏิบัติในฐานะที่เป็น ลูกพระพุทธเจ้านะแต่เราจะต้องรู้ว่าเราปฏิบัติแล้วเราตรวจสอบตัวเราเองหน่อยเรามาจากหลายหลายสำนักเนี่ยักอธมานี่ไม่มีสำนักนะหมายถึงว่าคนที่มาปฏิบัติกับมาตมานี่จะเรียกว่ามาจากสำนักไหนไปสำนักอาจารย์ทุจิปไม่ได้อรตมาไม่มีสำนักแต่ท่านทั้งหลายมาจากหลายสำนักเข้าใจป่าท่านทั้งหลายมาจากหลายสำนักต้องถามตัวเองดู ว่าเราอภิชารุวิหารระยะไหมอพยา b ั n เย n i n g จะโซ่ไหมสโตไหมเอกคตะจิตตะสะอาดชตังสุสมาหิโตไหมต้องถามตัวเองแล้วก็ตรวจสอบมาดูถ้ามันยังไม่ใช่มันยังเป็นอย่างนั้นดูภาวนาให้หนักลงโทษตัวเองด้วยกันภาวนาให้หนักปรับตัวเองด้วยการภาวนาให้หนัก แล้วก็บัญญัติทั้งหลายแร่ที่จำจำไว้ทิ้งทิ้ ง, งไปมั้งมันรกมันรกมากมันรกจนเกินสภาวะที่ตัวเองจะรู้ถ้าอย่างนี้เราก็นี่จริงๆจะพูดเก็บตกเรื่องวันสงการานนะมาออกเรื่องนี้นะนี่ให้พวกเราได้พักสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันต่อ